ชาววัดอยู่วัดเจริญสติเอามรรคผลนิพพานชาวบ้านอยู่บ้านเจริญสติแล้วได้อะไรคำตอบที่ฟังง่ายคือในช่วงชีวิตเป็นขาขึ้นการเจริญสติช่วยให้เป็นสุขจริงในช่วงที่ชีวิตเป็นขาลงการเจริญสติช่วยให้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากนักช่วงชีวิตขาขึ้นพอทำสมาธิแล้วสมองเข้าที่ สมองจะสั่งร่างกายทุกส่วนให้อยู่ในภาวะสมดุลตามไปด้วยเกิดการสะสมพลังใหม่เกิดการรีชาร์จในแบบที่ทำให้ทุกองคาพยพของร่างกายมีความปลอดโปรง่งมีการหลังสารดีๆออกมาส่วนสภาวะของจิตที่เป็นกุศลมากๆนั้นก็จะทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหายไปหมดหัวโล่งอกว่างใจเบามีแต่ความตื่นเต็มในความเป็นกุศลจิต ช่วงชีวิตขาลงในขณะที่การมีความสุขแบบโลกโลกอันเกิดจากการดีใจจิตจะมีอาการขอกอดสิ่งที่ได้มาไว้อย่างแน่นเหนียวถ้าจะต้องสูญเสียไปจะรู้สึกเหมือนโลกถล่มทลายท้องฟ้ามืดมนความสุขที่เป็นแบบโลกโลกจึงเป็นสุขที่พร้อมจะทําให้เกิดความทุกข์สวิงกันไปมาสองข้างนี้เมื่อจเจริญสติ เราเห็นใจเกิดอาการยึดอยากครอบครองไม่อยากสูญเสียไปก็จะเกิดมุมมองอีกแบบหนึ่งว่าการยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่นนั้นเป็นอาการหลงผิดพอพิจารณาว่าความผิดนั้นเป็นแค่อาการปรุงแต่งของจิตชั่วคราวจะเกิดความรู้สึกเบาคลายจากอาการยึดขึ้นมาถ้าหากรู้หลักของการคลายความยึดมั่นได้จริง ก็จะคลายความยึดมั่นกับทุกสิ่งในชีวิตต้นเหตุของความทุกข์ก็จะหายไปการไม่มีทุกข์นั่นหละคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุด